สังคาเภทเรื่องที่ทำให้สองแตกกัน18ประการ พระอุบาลีทูลถามว่าที่พระองค์ปรัสว่าสังฆเภศสังฆเภศสงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่าไรหนอพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีภิกษุทั้งหลายในธรรมวิเนยนี้หนึ่งแสดงอธรรมว่าเป็นธรรมสอง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 แสดงสิ game, ่งที่ตาถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตได้บัญญัติไว้10แสดงสิ่งที่ตถาคตได้บัญญัติไว้ว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติไว้ 11. แสดงอนาบัตว่าเป็นอาบัติ 12. แสดงอาบัตว่าเป็นอนาบัติ13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 แสดงอาบัต์ชั่วยาว่าเป็นอาบัตไม่ชั่วยาสิบแแสดงอาบัตไม่ชั่วยาว่าเป็นอาบัตชั่วยาภิกษุเหล่านั้นย่อมแยกพวกออกมาประกาศตัวด้วยเหตุ18อย่างนี้แยกกันทรรมอุโบสถแยกกันทรรมปวารณาแยกกันทำสังฆกรรม อุบาลีสงจะเป็นผู้แตกกันด้วยเหตุเท่านี้แหละ